أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و به نسعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العليل ا عظيم الله ملك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا ردد ولك الحمد بد الردى وأشهد ا ن لا إله إلا الله وحده لا شريك لا إله الأولين والآخرين وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله و ر س ل الله ب د بالهدى ولين الحق ليظهره على تين كله ولو ك ا ن ه ا الكافلون أما ب ا لقرقرة على في كتاب الكريم بارعود ب ا ل م ش ط ا ن الرجيم ونيسرك ل ل س ر ا فذكر إن نفعت الذكر س ي ذ ك ر مي يقشا في نقي الرقي خبنا ا ل س ر ا ا ل ع ل ى วันอุปยรุกะลิยุสรอในยะตที่แปดพวกลอสุภาณุวาตาลาผู้ทรง ส, งสงูงทรงผู้ทรงยิ่งใหญ่ผู้ทรงเปลี่ยนใจองได้ให้คำมั่นสัญญาพระองค์ได้บอกไว้แล้วพวกลอสก็ได้เตือนสติพวกเราไว้ว่าและเราจะให้เจ้านั้นง่ายได้ในการได้รับสิ่งที่ง่ายได้ วนเวีิรุกลยุสลาในอายะกร้านี้แน่นอนบุคคลแรกที่พระองค์สุบฮานวุวาตาพูดถึงก็คือท่านนาบีมุฮัมมัดสลลาะห์ฮุายดีอิบราฮิลแล้วพวระองค์ก็บอกว่านี่แหละคือข่าวดีเมื่อท่านนาบีได้รับความง่ายดายเมื่อตัวท่านนบีคือความง่ายดายผล น, นั้นย่อมจะ ก, กระทบมาสู่อุมมาของท่านแล้วอุมมาของท่านก็จะได้รับความง่ายดายก็จะเป็นความง่ายดายแล้วก็จะได้รับแต่สิ่งที่ง่ายดายอยา่างง่ายๆวันนี้เรามาพูดคุยกัน ถึงตัวอย่างครับถึงเรื่องความง่ายได้ที่ว่าพวกเราสุบฮานหูวะตารานั้นได้มอบไปกับท่านนบีมูฮัมมัดสุลต่านของอิสลามจริงอยู่ครับในประวัติของท่านนบีถ้าเราศึกษาดูชีวิตของท่านนบีไม่ง่ายเลยเป็นบททดสอบที่ถาโถมเข้ามาซึ่งไม่มีใครอีกแล้วนะครับในมุสลิมชาติที่จะสามารถแบกรับทนแล้วก็ทาแบบฝึกหัดต่างๆแบบทดสอบต่างๆที่พวลเาให้เนี่ย ที่จะทําได้ดีเยี่ยมไปกว่าท่านอบดุลเบีมาหมอมะซุลลัลฮฺออลิสลัมเหมือนกับที่เราได้พูดคุยจันประจำก็ ว, ว่าบะกัดอัตดัลอามาเนี่ยท่านอบีนั้นได้ทำตามอามานะภาระหน้าที่ของท่านอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยทําได้อย่างยอดเยี่ยมที่สุดแน่นอนบททดสอบของอับี๋ยมนหนักมากๆครับแต่ในความหนักเราจะพบว่าในแต่ละความหนักในแต่ละความยากลาบากตอนที่โดนนั้นมันหนักตอนที่โดนมันยากลําบาก แต่สิ่งที่ตา ม, มานั้นมีแต่ความดีงามมีแต่ความง่ายดายที่มากมายมาหาศาลเกินจินตนาการเมื่อเรามาศึกษาชีว a, ประวัติของทัศนบีมฮอมัสละลวของอัลลอฮฺเราก็จะพบว่านี่ไงหนึ่งในตัวอย่างที่ดีที่สุดที่ท่านเจอบททดสอบหนักที่สุดแต่ในทุกความยากลําบากมันผ่านพ้นไปได้แล้วมันก็มีความง่ายดายอยู่นั้นมาหาศาลแล้วมันก็มีความเมตตาของอัลลอฮฺอยู่เมื่อเราเจอพบ นี่คือแบบอย่างของเราท่านอับดุลเบี๋ยมอัลมัสลองอัลฮุดิสลั ม, ม, ม, ม, มเราก็จะมีกำลังใจในกา ร, รเผชิญหน้าในการใช้ชีวิตของเรามากยินขึ้นพี่น้องที่รักยิ่งครับเราจะพบว่าในชีวิตของท่านบดุลเบี๋ยอัลัสลองอัลฮสลัมน่ซึ่งเราพูดคุยกันไปแล้วส่วนนึงในช่วงของประวัติของท่านบีนะครับซึ่งอินชาอัลล์นตอนนี้คอร์สดัวบ้านมุสลิม ใ, ใกล้จบแล้ว ถ้าเมื่อไหร่ที่คอร์สดัวบ้านมิซิมจบเราก็น่าจะได้กลับไปคุยกันต่อในช่วงของประวัติของท่านนบีมัสละลอออรอฮัยสลัมให้จบเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับอินนี้ชาเราที่ตั้งใจไว้แล้วพอจบจากคอร์สของท่านนบีปุ๊บน่าจะได้มาต่อคอร์สอุษุรุณฟิกอันนี้คือที่แผนไว้ครับที่ตั้งใจไว้ซึ่งทางนี้ทั้งนั้นก็มอบหมายต่อพวกลอซุบะฮานุตะลาว่าอะจะเกิดขึ้นซึ่งเราก็ไม่รู้ในอนาคตนะครับ ตัวของท่านนบีมอลัลลอฮฺหรือสัมะจะพบว่าหลายสถานการณ์นะครับที่เราพูดคุยกันไปแล้วในโดยเฉพาะในช่วงของสงครามคอนดักเนี่ยหนึ่งในสงครามที่เราพบว่าหนักหนาที่สุดของมุสลิมที่ว่ายูเองกับบรรดามุสลิกเองเนี่ยจับมือกันแล้วก็ระดมทั้งระดมทุนทั้งระดมกําลังไพ่พลกองทัพทั้งอาหรับรอบนอกคือไปไปเกณฑ์กันมาหมดเลยเพื่อที่จะมาทลายมุสลิมให้จบในทีเดียวคือถ้าเกิดใช้คํา ก็คือถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็คือ overpower ครับก็คือถ้าเทียบตามจํานวนหัวเนี่ยก็คือถ้าลมแบบได้สบายชิลๆอะครับคือไม่ต้องยกมาเยอะขนาดนี้ก็ได้แต่คือเขาแบบให้ชัวร์คือให้เยอะแบบยังไงก็ไม่มีทางแพ้เพราะที่ผ่านมานี่คือชื่อเสียงของชาปูเลสก็ปนปี้คือทําสงครามเมื่อไหร่นี่ก็คือแพ้มาตลอดมีในช่วงของอูฮุสนั่นแหละที่แบบว่าเหมือนกับจะได้หน้าหน่อยแต่เอาเข้าจริงๆอูฮุสเนี่ยก็ไม่ได้ชนะแบบขาดลอย เพราะว่าก็ยังไม่สามารถจัดการท่านอบีออุลโมฮัมมัดสลาห์ของอิสลามได้แล้วก็บาดาซอบาหลายๆคนก็ยังรอดอยู่คือเหมือนชนะแต่ชนะไม่สุดนะครับเพราะฉะนั้นหลังจากนั้นก็มีแต่แพ้แพ้แพ้แพ้แพ้แ พ, แพ้ชาวกูเนสแล้วก็ดกับอยู่ก็เลยเอากันว่าเอาให้มันชัวร์ๆเลยปิดประตูแพ้เลยสังเกตดูนะเมื่ อ, อไร่ก็ตามที่ศัตรูของพวกลอสมีความฮึกเหิมแล้วคิดว่าไม่มีทางที่จะพลาดพวกลอสมักงใจเขาแพา นี่คือสุนนะขอรับนี่คือแบบอย่างที่มูลอัลสุบะตรามักจะทํามาคอนดักก็เช่นเดียวกันในสขขงครามคอนดักยากครับหินครับนี่คือหนึ่งความยากลำ บ, บา ก, พกเพราะกล่าวไงนะอินนามาอลอุสลิยุสรอในหนึ่งความยากลำ บ, บากจะมีความง่ายใดยมหาศาลตอนนี้ท่านอับบีมูลอัลสุอะตรามมีโจทย์ว่ากําลังจะโดนถล่มแล้วสงครามนี้คือต้องตั้งรับอย่างเดียวเพราะว่าเขาบุกมาจะถึงหน้าบ้านแล้วพอจะตั้งรับปุ๊บอ่าหนึ่งความยากลําบากและจะโดนถล่มหรือไม่โดนถล่ม ความแย่อะไรมาหาศาลครับท่านสนมานฟาริสีก็บอกว่านี่นะปกติเราเชาวเปอร์เซียเนี่ยปกติถ้าเกิดเราจะโดนล้อมเนี่ยเราแก่ต้องอยู่ในป้อมปาการถ้ามีป้อมประการเราก็จะขุดสนามเพาะไว้เป็นการป้องกันก็ได้ไอเดียมาหนึ่งความงแย่ใดผมมาละมีทางออกละท่านลบีก็เรียกให้าาบรรดาซาบะโอเคมาขุดกันซึ่งการขุดหนั้นเหนื่อยครับเพราะดินของมาดีนาเนี่ยไม่เหมือนกับดินประเทศไทยนะพี่น้อง ไม่เหมือนดินร่วนไม่เหมือนดินทรายไม่เหมือนดินเหนียวของประเทศไทยคือดินของมาดีนนะเนี่ยพี่น้องสร้างบ้านหนึ่งชั้นสองชั้นไม่ต้องตอกเสาเข็มก็ได้ดินมันแน่นคือคนหนึ่งอะขุดให้ได้เมตรหนึ่งนี่คืองานงานหินเลยซึ่งซอบาก็ช่วยกันขุดขุดขุดขุดขุดขุดขุดทีนี้ครับตอนขุดเนี่ยพูดให้ความง่ายดายแล้วหนึ่งละในซอบาก็ได้แผนแล้วแล้วก็สามารถขุดได้ทั้งๆที่มันไม่น่าจะขุดได้ก็เอาพว่าเอาอะไรมาขุดขุดขุดขุดทีนี้ครับ เนื่องจากมันเป็นดินที่ค่อนข้างจะแข็งแล้วมันไม่ใช่ดินแข็งอย่างเดียวบางส่วนมันมีหินขนาดยักษ์ด้วยตอนที่ซอบ้ากําลังขุดขุดๆนะครับก็ไปเจอหินขนาดยักษ์หินขนาดยักษ์ที่ว่าไม่มีใครจัดการมันได้คือจะลากเป็นไปไม่ได้หินขนาดใหญ่โตแบบมโหลา น, นะครับเป็นแบบเป็นเป็นเนินย่อมๆเนี่ยคือจะยกขึ้นไปให้พ้นจากคอนดัฟซอบ้าขุดไม่ได้ทํายังไงก็ไม่ได้พอจะทุบ ป, ปุ๊บก็ไม่มีใครทุบได้ ก็มีการไปบอกท่านอับีุครับก็มีคนบอกว่ายอสุล ร, ราท้างเจอปัญหาแล้วเราเจอหินขนาดยักเลยขวางทางอยู่เราคงขุดไม่ได้จะทํำยังไงดีท่านอับดุลเลาะห์บอกไงครับอา้าวเอาที่ขุดของพวกเจ้ามาภาษาอับาะห์บางทีก็เรียกเป็นเอ่อเปนฟ้าบางทีก็เรียกศักด์คําอื่นบางคนจินนาการเป็นขวานตัดไม้ไม่ใช่นะก็เป็นพุ่วเป็นอะไรก็ได้ก็เรียกได้หมดที่ใช้ในการขุดเจาะนะครับผมท่านอบดก็บอกว่าเอามาพอท่านอับดุลเลาะห์ซำถือปุ๊บ บิสมิลลาฮ์ท่านบดุ์ทุบที่ซอบาทั้งหมดพยายามทำไม่สำเร็จท่านนบีคนเดียวเลยทุบแล้วก็เรียบร้อยซึ่งก็มีสารงานที่บอกว่าท่านอับดุลเลาะห์โมลสลองหรอสลัมนะ่พลังของท่านเนี่ยเทียบเท่ากับซอบา40คนอันนี้ก็วอลลอ์อาลัม al วอลลอร์อลัม al แล้วก็คือว่าเลยท่านนบีมีความมีกำลังวังชาพี่เมีความเข้มแข็งมีควา ม, ขมแข็งแกร่งมีความกล้ า, หาเหนือบรรดาซอบาก็คือสิ่งที่ยากสาหรับหลายๆคนเอาลยสลบท่านบับดุลาะ เพราะฉะนั้นเราเป็นอุ ม, มาของท่านเช่นเดียวกันถ้าเราเชื่อมั่นในลอตอย่างแท้จริงเรามอบหมายตนอย่างแท้จริงแล้วทําในส่วนของเราอย่างแท้จริงหลายเรื่องที่คนอื่นมองว่าเป็นไปไม่ได้มันจะง่ายสําหรับเราอย่ารีบไปด่วนอย่ารีบด่วนตัดสินว่าเนี่ยมันยากมันเป็นไปไม่ได้มันบิสมิลลาห์แต่ว่ากันถ้ามันต้องทํามันก็ต้องทำเนี่ยครับก็บิสมิลลาห์แล้วก็ทําไปอินชาลเราจะพบความง่ายใดมากมายมหาศาลในนั้นซึ่งในสงครามคอนดักเนี่ยความง่ายใดมากมายมหาศาลอยู่ในหนึ่งความยากลำบาก หนความยากลําบากคือจะโดนถล่มความง่ายดายก็คือทั้งมีแผนในการขุดทั้งเจอไอ้อุปสรรคปุ๊บอุปสรรคสามารถหายไปไหนจะอาหารพี่น้องจําได้ไหมที่ว่ามีคนแอบเตรียมอาหารหน้อยน้อม้กับนบีคือเป็นช่วงแรงแขนะ่ะแล้วก็มีซาบะเห็นว่าท่านนบีไม่ได้กินข้ามานานแล้วก็เลยแอบทำกับข้าวานิดนึงคือมีแค่นิดเดียวจริงจริเอามาแอบให้ท่านนบีท่านนบีบอกว่าไม่เป็นไรไปแบ่งให้ทุกคนกินทุกคนได้กินหมดจนอิ่มหนำสำราญรวมทั้งท่านนบีมูฮัมมัดสุลต้องไวสลังด้วย ว่าอินมาลอุสดีในหนึ่งความยากลำบากยุสรอมีความง่ายได้มากมายมหาศาลที่พวกลัทธิบาตาร์นมอบให้แล้วก็เช่นเดียวกันในศึกสงครามที่อย่างที่เรารู้ก็คือพอศัตรูจะมาบุกปุ๊บพวกเราส่งลมมากระห น, น่าพวกเขาอีกกองทัพแตกพ่ายคือเกิดความหวาดกลัวในหัวใจของกองทัพมหาศาลที่ยกทัพมาเพราะหัวใจก็ไม่ได้เป็นหนึ่งกันคิดว่าจะมาถล่มง่ายแล้วก็จบ แต่ผลก็คือเจออุปสรรคเจอลมเจออะไรปุ๊บทับแตกพ่ายทั้งๆ ท, ที่ถ้าเอาจริงๆถ้าพูดถึงเหตุผลแค่ดุนยามุสลิมไม่น่าจะหลงเหลือไม่แน่จะเหลือรอดแล้วในสงครามนี้น่าจะจบไปแล้วแต่นี่คือความให่รายเจ้าลอให้ฟาอินนะมาอัลอาซลิยุสรอแล้วไม่ใช่แค่ผ่านพ้นสงครามคอนดักได้ทําให้มีเหตุผลที่ท่านอับบีมุสลิสัมจะทําลายอยู่ที่เป็นศัตรูชั่วร้ายที่แอบเนียนอยู่ ที่มันไม่มีเหตุผลอันควรมาก่อนนะครับมีเหตุผลที่ท่านบีจะหลางบางเป็นสงครามฮูเนนเป็นสงครามอะไรที่ตามมาฟาอินนามาลอุสติยุสรอในหนึ่งความยากลำบากและมีความง่ายไดมากมายมหาศาลในชีวิตของพวกเราทุกคนมีเหตุการณ์คล้ายๆนี้เช่นเดียวกันเพียงแต่ว่าเราจะสังเกตเห็นหรือไม่เห็นอันนี้อยู่ที่เราครับผมบารักอฟฟิคูลครับเพื่อนผมนะครับบุญจิรชัยนะครับสลาม ก็วันกุมศรรามุตุลลอฮฺบอกราคาตุบอกทำได้เล่าเรียนวิชาปรัิศาสตร์อยู่ก็จะสักหน้นครดันขอมาอด้วยนะครับที่ว่าพักยกไว้นานนะครับเพอมันมีหลายวิชาที่อยากจะพูดคุยแต่เชาแล้ถ้าจบดัวบ้านรุสีมซึ่งมันมันกำลังจะใกล้แล้วนะครับก็น่าจะได้มาคุยกันต่อขอบคุณสำหรับดัอาครับที่ขอดัวให้พวลเราให้ความง่ายดายก็อาหมินอาหมินอาหมินขอยได้รับความง่ายดายในการทําความดีทุกรูปแบบสำหรับทุกท่านเช่นเดียวกันนะครับคุณบัตรสำับคุณสลามมาก็วันกุมศรรามุตุลลอผม คุณฟารุกนะครับสลามาชัยแล้วจากพัฒนาการชัดเจนก็วารีคุณสละมุตุลอ้วบารากกาตุขอบคุณท่านอาจารย์มากๆครับผมแล้วก็คุณสวัยสละมาครับคุณอาสวัยก็วารคุสลมุลอ้บรักกาตุคุณอาาดาครับสลามาเช่นเดียวกันวคุณสลมตลอวบรกกาตุแล้วก็พี่สาวของผมพี่วันีนะครับสละมาก็วารีคุณสละบารมุตุลอ้วบารากกาตุครับผมก็จะจากมูล่าคาขอบคุณพี่น้องที่รักทุกท่านครับที่เข้ามามีส่วนร่วม โคบคังนะครับคังคนะครับไม่รู้ว่าเชียงใหม่หรือที่ไหนนะครับนัาอยู่เชียงใหม่แล้วอ่าครับสรมาวันคืสรอรมตุล้อวบาวรากะตัวได้ฟังสดสักทีอ่ะปกติฟังแห้งหรือเปล่าแซวเฉยเฉนะครับผมครับภูมิศรละมานะครับพระธมุลามาก็บาระกบารฟีกุมครับในสุรัอัลอาลนะครับวานุยัสซีรุกัยุสโล ย้ำนะครับเผื่อพี่น้องบางท่านไม่ได้มาเข้าร่วมตอนที่แล้วนะครับเราเราตกลงกันว่าเราจะกลับไปใช้รูปแบบการพูดคุยแบบเดิมก็คือแต่และอายะเราเราใช้เวลาห น, หน่อยนึงเราไม่รีบไปไหนนะครับเพราะฉะนั้นชดเชยอายะที่ ผ, ผ่านมานะครับเจดอายะที่ผ่านมาโดยประมาณนะครับก็เอ่อตรงอายะนี้อยากคุยกับพี่น้องนานนิดนึงถามว่าทำไมอยากคุยนานความหมายมันดีมากๆเลยเช่นเดียวกับอายะที่ผ่านมานี่แหละแต่ที่ผ่านมาเราก็ก็ถือว่าผ่านไปนะครับก็ สิ่งที่ลอตกำหนดก็เป็นไปตามนั้นแต่ต้องเนี้ยพี่น้องถ้าเรามาคิดดีๆเนะี่ยความง่ายดายที่พวกลอตสุบฮานุอาตาเตรียมไว้ให้เนี่ยมันมันมันมหาศาลจริงจริงสำหรับทุกคนนับตั้งแต่ท่านอับดุลโมสลามมาเรื่อยเรื่อยนะครับผมเราคุยเหตุการณ์แรกไปละท่านอบีให้ความง่ายดายตอนในเรื่องของการพวกลอตให้ท่านอับดุลโรับความง่ายดายในการ ดำเนินชีวิตในการเผยแผ่ศาสนาของท่านซึ่งทุกอย่างก็ง่ายดายตามนั้นจริงๆทีนี้ครับพี่น้องครับถ้าเกิดเรามาดูต่อนะเราจะพบว่าเวลาสัฮาบะเนี่ยเวลาท่านมีปัญหาอะไรก็ตามมาหาท่านอบีง่ายหมดเลยท่านติดขัดเรื่องอะไรก็ตามมาหาท่านอบีมีแต่ความง่ายดายพูดเล่าให้มีแต่ความง่ายดายแล้วท่านบีแบบง่ายดายใครเครียดเรื่องไหนมาหานานบีมีทางออกเสมอจะกลับไปในสภาพของคนที่มีความสุขบางคนไม่มีอาหารเลย มหานาบีแบบหยาบาบกระชากคอเสื้อนบีด้วยซ้ำแล้วก็บอกเ อ, เอาเอาเอาของของฉันมาให้ฉันที่ยวลอเตรียมไห้เอามาให้ฉันท่นานนบีก็ยิ้มก็ให้สำให้อาหารให้สเบียงเนี่ยเต็มเต็มอูดไปเลยสองตัวลองลองดูก็มีแล้เห็น หมาว่าอย่างไรครับอย่างที่เกิดเราดูในหลายเหตุการณ์มากๆเลยครับที่เราจะพบสถานการณ์ประมาณนี้ที่ว่าใครมีปัญหามหานบีมีทางออกหมดช่วงที่อิสลามเผยแผ่นะครับก็มีบางส่วนคนอาลับชนบทมหานาบีแล้วก็มาขอความเชื่อหนบีท่านบียกแพ้ให้หมดฝูงเลยคือท่านบีให้แบบไม่กลัวจนนะครับคนคนนั้นพอได้รับปุ๊บกลับไปหากลุ่มชนของเขาประกาศเลยบอกผู้คนเข้ารับอิสลามเถิดเพราะมูฮัมมัดสุลลอยสลัมให้แบบไม่กลัวจน แปลว่าศาสนานี้ดีแน่นอนเพราะฉะนั้นใครมีปัญหามหาละบีครับมีบางสายรายงานนะครับบอกว่าบางครั้งซอฮาบะเวลาที่ว่ า, าเท้าขาดรีสาร ม, มหาท่านลบีท่านละบีอุสธรรมก็ขอดัวให้แล้วก็พวกเราก็เมตตาให้ให้สามารถรักษาต่อได้พวกเราตายแล้อาลัมแต่ว่าเรื่องการรักษาเราจะพบว่าเยอะมากๆเหมือนท่านอาลีตอนที่ท่านลบีอุสธรรมใจให้ท่านอาลีถือธงเป็นหนึ่งในผู้ที่ถือธงในการทับสงครามท่านอาลีบอกยาซุลละผมไม่ไหวผมเจ็บตา ท่านนบีก็เรียกมาขอดัวาจากอัลลอฮ์เป่าให้ท่านนบีก็หายเลยเหตุการณ์อย่างนี้เยอะมากๆเยอะมากๆครับบางคนก็เป็นบ้ามาเป็นหลายปีโดนยินสิงสู่โดนยินทำร้ายโดนอะไรก็สู้ผ่านอัลลอฮด้วยความเมตตาของพอัลลอฮ์ก็ให้ท่านนบีมุสลัมซามนั้นเป็นส่วนที่เป็นเหตุผลที่ทําให้เกิดการรักษาซึ่งถ้าเกิดเราดูครับผมอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่แสดงถึงว่า พอรอให้ท่านนบีได้รับความง่ายใดทาอะไรก็ง่ายใดถึงบททดสอบจะหนักแค่ไหนก็ตามก็มีความง่ายใดพี่น้องจําได้ไหมครับจะมีในบลิทคอยมาบุคอลีที่ว่ามีครั้งหนึ่งท่านนบีมุสลิมทําการคุตบาบาอยู่นบีคุตตาบานบีอยู่บอมินบัสทาการคุตตาบาพอท่านนบีมุสลิมทำทำการคุตบาบาอยู่ครับก็มีชาวอาหรับมาจากบาดาวีเดมาจากเป็นอาหรับที่แบบว่าเดินทางไปเรื่อยๆครับผมส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยรู้เรื่องรู้อะไรเท่าไหร่ปรุ๊บก็มาหา ตอนที่กําลังคุตตาบาอยู่แล้วก็ตะโกนเลยไม่เข้ามาละหมาดไม่เข้ามาลตะโกนเลยบอกยามอฮัมมัตเนี่ยตอนเนี่ยพืชสวนเนี่ยจะตายหมดแล้วครับทาไงดีคือคนที่หยาบหยาบางทีเรื่องมารยาทก็ต้องให้อภัยเขาก็บางทีเขาไม่รู้เรื่องแล้วคนเนี่ยมาหานาบีวันศุกร์เนี่ยเปิดประตูเข้ามาหันมาทางนาบีนบดลเีกำลังกินขนมมิมบัติเขาก็ตะโกนมาเลยแล้วก็บอกเนี่ยจะตายกันหมดเลยทั้งสวนแล้วเนี่ยสัตว์ก็ไม่มีอาหารกินเนี่ยต้นไม้ก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีเนี่ย ช่วยขอดัวาจากอัลลอฮ์ให้เราหน่อยให้ฝนตกก็พูดง่ายๆท่านลบีกําลังคุตตาบ้าอยู่โดนตัดแทนที่ท่านจะโกรธนะแท่นนี้จะบอกว่าอะไรหรือไม่รู้เลยกําลังคุตตาบ้าอยู่ในมันละหมาดไม่ได้มาละหมาดกับชายที่มาทำอย่างนี้ท่านลบีเป็นผู้ที่มีความง่ายดายมีความเมตตาให้กับผู้คนผู้คนเข้าหาท่านง่ายๆท่านไม่ทําตัวให้ยากท่านทําตัวง่ายใครเข้ามาท่านง่ายมเลยท่านลบีมองข้ามเร็วตรงนี้ ท่านนบียังไงครับพอเขามาขอฉันนึกถึคุตตาบ้าอยู่นบียกมือขอดี๋ว่าโอ้ล้อปรดให้ฝนตกยกมือสองข้างเลยอยเอาโอ้อัลลอฮฺมัสกนอัลลอฮฺมัสกนอัลลอฮมัสกนะอัลลอฮมกโอ้ล้อปดให้ฝนตกโอ้ล้อปดให้ฝนตกโอ้ล้อปวดให้ฝนตกท่านอาสเนี่ยเป็นผู้ที่รายงานไป็นซอบัตอยู่ในเหตุการณ์ท่านอาสบอกว่าไงครับขอสาบานต่ออัลล์ตอนที่เรามาฟังคุตตาบ้าเนี่ยเราก็ดูอยู่ เห็นท้องฟ้าอยู่ก็คือหลังค้าไม่มีพี่น้องที่มัสยิดนบีในช่วงนั้นก็ดูท้องฟ้าอยู่ก็คือฟ้าโป่งเลยคือล้นจัดเลยคือท่านนบียกมือขอดีกว่าเราก็ดูท้องฟ้าก็เห็นฟ้าเปิดก็เอ่าก็ก็รอดูน่าจะวันพรุ่งนี้มะรืนนี้หรือยังไงแต่ผลก็คือว่าเมฆตั้งเขามาเลยพี่น้องขึ้นมาจากไหนก็ไม่รู้เนี่ยแต่อยู่ก็คือเมฆมารวมกันตั้งเขาแบบ มืดสนิทเลยคือฝนแน่นอนแล้วฝนก็ตกพวกเรากใกล้ฝนตกเลยซึ่งเวลาฝนตกเนี่ยซาบะก็ละหมาดไปพี่น้องไม่มีใครกลัวฝนกลัวอะไรท่านบีบางครั้งเวลาสุยุทเนี่ยหน้าท่านก็เปื้อนโคลเปื้อนอะไรคือพือน้นมันเปื้อนมันแชทำตัวง่ายๆแล้วพรอแล้าใจความง่ายได้ใครทําตัวยากเอาล้อใจเขามีแต่ความยากในชีวิตเขาพี่น้องสังเกต ด, ดูคนเรื่องมากในชีวิตอยู่ไม่ค่อยมีความสุขหรอกมันยากไปหมดอะไรก็เป็นปัญหาไปหมดถ้าทําตัวให้ง่ายๆเอาล้ก็จะมีแต่ความง่ายได้ เนี่ยฝนตกตกแบบต ก, ตกหนักๆนักนักนักั ก, กท่านอนัสบอกว่าไงครับตกมาเนี่ยหกวันติดต่อกันไม่หยุดเลยคือที่อย่างมาดีนานเนี่ยอย่างแถบซาอุดิอาระเบียเนี่ยเวลาฝนตกทีคือแต่ละปีนับจานวนครั้งได้แต่พอตกทีก็จะตกนานหน่อยบางทีจะตกเป็นสองสามชั่วโมงตกขึ้นวันตกหนึ่งวันตกสองสามวันแล้วแต่แต่นี่คือหกวันติดกันเลย นับต่อไปเลยติดกันไปเลย6วันจนแบบว่าเริ่มหนักแล้วฝนตกหนักขึ้นหนักขึ้นหนักขึ้นจนกระทั่งครับสุกต่อมาท่านอับดุล ส, สลามกาลังทำการคุตบาบะมีชาอาั บ, บดาดวีมาอีกแล้วในสายงานบอกไ ม, ม, ม, ม่ไม่แน่ใจว่าเป็นคนเดิมหรือเปล่าแต่ก็คือมีอา랍เล่นรอบเนี่ยมาหาน บ, บีอีกตอนที่ท่านอบีกําลังคุตตาบะเหตุการณ์เ ห, รเหมือนเดียจาวูนะครับเหมือนภาพฉายสามมาแต่เปลี่ยนเนื้อหาคนที่เข้ามาบอกยาลอซูละเลส สัตว์จะตายหมดแล้วถนนหนทางก็โดนตัดขาดไปไหนก็ไม่ได้ต้นไม้จะตายแล้วยอเดลซูลแล้วช่วยขอดูอาจากอัลลอฮ์ให้ฝนหยุดที่อยากให้หยุดนี่คือขอแบบคนไม่รู้เรื่องไงอยากให้ฝนหยุดอยากให้ฝนเปิดเหมือนเปิดก๊อกท่านนาบีมูฮัมมัดสุลตัมพอได้ยินปุ๊บท่านนาบีขอดูอาแต่ท่านนาบีประเด็นี้น่าสนใจท่านนาบีไม่ได้ขอดูอาให้ฝนหยุดตกท่านนาบีมูฮัมมัดสุลตัมใช้คำว่าฮาวาไลน า, าฝนคือความโปรดปานที่มาจากพว้อัลลอฮ์ บ่าวของพวกล้อจะไม่ขอให้พวกลาอหยุดความเมตตาพี่น้องฝนคือความเมตตาเราจะไม่ขอใล้ล้อหยุดความเมตตาท่านนบีขอว่าไงครับโอ้ล้อโปรดให้ฝนนี้ไปตกที่อื่นขอให้ฝนนี้ไปตกบนยอดเขาไปตกบนยอดดอยไปตกที่อื่นที่มันจะไม่ส่งผลอันตรายกับพวกเาขาการขอด้วยของท่านนบีเป็นวาที่มีฮิกแมสเสมอถ้าเราสังเกตนะจะมีฮิกแมสเสมอท่านบีจะขอและคาขอของท่านเนี่ยจะมีสิ่งที่สอนเตือนสติ พวกเราด้วยก็คือขอให้ไปตกที่อื่นไปตกที่เอในฮะดีษก็ใช้อาจามเป็นป้อมปาการสูงคือเป็นที่ที่ฝนตกแล้วมันไม่ส่งผลเสียอะไรครับเป็นปาการของมาดีน่าเป็นที่สูงเป็นดอยเป็นอะไรท่านอบีขอให้ไปตกตรง น, นั้นให้สิ่งมีชีวิตอื่นได้รับประโยชน์ด้วยไม่ใช่ว่าฉันจเจ้าแค่ฉันฉันไม่ชอบฉันก็ไม่เอาให้ปิดก๊อกไม่ใช่ครับท่านนาบีก็ขอฝนก็ตกเลยครับผู้รายงานบอกว่าไงครับแล้ว ฝนก็หยุดโดยที่พอเราออกมาจากสุเหล่านี้ก็คือแบบฟ้าสว่างเลยคือเหมือนกับฝนไม่เคยตกเลยคือสภาพอารมณ์ ป, ประมาณนั้นเลยก็ราชายิกฝศอาตุอานัสครับท่านชายิกเนี่ยก็ถามอานัสครับคือไม่ได้อยู่เหตุการณ์นี้ก็ถามว่าเออที่มาเนี่ยคนเดิมหรือเปล่าท่านอานัสก็บอกว่าละเดียริกก็คือจําไม่ได้คือประเด็นไม่รู้ว่าเป็นคนเดียวกันไหมแต่ก็คือคนแรกมาเนี่ยขอให้ตกท่านอบีก็ขอให้กับเขาคนที่สองมาขอให้หยุดท่านอบีก็ขอให้กับเขา สุบานละบอกสุบานละบอกครับผมนี่ก็คือความง่ายดายครับผมไม่ใช่ง่ายดายแค่นี้นะพี่น้องไม่ใช่ง่ายดายแค่นี้อินชาอัลลอฮ์ครับเดี๋ยวครั้งต่อไปวันนี้พูดรวบลัดนิดนึงนะครับผมอินชาอัลลอฮ์ครั้งต่อไปเรามาดูครับว่าแม้แต่ผู้ที่เกลียดชังนบีที่สุดเกลียดนบีสุดๆอยากสังหารท่านนบีด้วยกับมือตัวเองพวกเขาใกลความง่ายดายกับท่านนบีมอลลัลลอฮฺของอัสลามจะเป็นยังไงก็ไว้ไปคุยกัน ในครั้งหน้าครับอินชาอัลล์ครับผมสำหรับวันนี้นะครับโลบลัสนิดหนึ่งก็อะกูลูกลีฮะวะสักฟุบลาฮะลีวาลักุมวะลิซาอิลิมุสลิมีเนมินคุลเดมะสกฟรูอินหูวร์กฟุอัรฮิมซุบฮะรัลลอฮิลฮัมดิคะอชฮะดูอัลลาอิลาห์อิลลัตเตะอัสตะคุกะวาตุบุลัยครับว่าหนูจซืรือเลยุสรอเราเจง่ายได้พบเจอกับความง่ายดอย่างง่ายได้ครับสมิถุนุนลนนลอฮบะ a k a t